เฉพาะธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนั้นแหะเป็นการพูดถึงแก้วปาหาตัปธรรมที่แปลว่าธรรมะที่ควรละนี่นะ น, นิวรบัพระนี่อยู่ในธรรมะประเภทปหาตัปธรรมทีนี้เมื่อพูดถึงธรรมะที่ควรละแล้วก็ต้องเข้าใจว่าเขาละจากอะไร ปกติเอปริญยาธรรมคือรูปประคันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันหรือวิญญาณขันเอวุปาทานขันห้าแต่ส่วนที่เราเรียนมาก็คือรูปประคันเวทนาขันและวิญญาณขันในขันเหล่านั้นถ้าผู้ที่ไม่ได้อบรมเจริญสติปัฏฐานบาปอกุศลที่เกิดขึ้นก็คือนิวรนนั่นแหละ นิวรณเวลาเกิดก็อาศัยรูปรขันเกิดนิวรณเวลาจะเกิดก็อาศัยเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันถ้าหากว่าเรารอบรู้ในอุปาทานขันท่5ดีระดับหนึ่งจะทำให้เข้าใจว่าไอสิ่งที่เราละนี่ก็คือละการมฉันท์เป็นต้นที่มีในในอุปาทานขัน เพราะว่าความคิดของเราทั้งหลายถ้าว่าไปเนี่ยมีไหมความคิดที่พ้นขันห้าเนี่ยนะถึงเรื่องนั้นจะคิดเรื่องบัญญัติอยู่แต่เบื้องหลังของบัญญัตินั้นก็คือขันห้าเพราะฉะนั้นคิดถึงขันห้าตลอดเนี่ยแม้แต่บัญญัติคําว่าบัญญัติก็เป็นบัญญัติที่ต้องอาศัยขันห้าอีกครั้งหนึ่งไม่มีว่างเว้นจากการคิดถึงขันห้าเมื่อคิดถึงขันห้ามากขนาดนั้นเนี่ยนะ บาปอากุศลเวลาจะเกิดก็อาศัยขันห้านั่นแหละเป็นอารมณปัจจัยเพราะคําว่าขันโดยเฉพาะอุปาทานนักขันก็แปลว่าขันเป็นที่อาศัยเกิดของอุปาทานหรือว่าขันที่เกิดจากอุปาทานนั้นขันเหล่านี้ก็เป็นที่ตั้งแห่งบาปและอกุศลั้นผู้ที่ศึกษานิวนบรบพะเนี่ยนะจะต้องมีความรู้จักหรือมีความเข้าใจในขันห้าเป็นอย่างดี นนทีนี้ถ้าเข้าใจในขันห้าแล้วจึงจะรู้ถึงว่านิ่วอนที่จะถ่ายถอนออกจากขันห้าเนี่ยถ่ายถอนยังไงอนนอย่างที่กล่าวผ่านไปคือพิจารณาเห็นกายในกายอยันนพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาพิจารณาเห็นจิตในจิตทีนี้แต่ละวิธีที่กล่าวไปแล้วก็พิสดารถ้าเป็น นิวร์นนิวนี่ขึ้นต้นด้วยนเมื่อการมฉันทะนิวร์มีอยู่ณภายในจิตก็รู้ชัดว่าการมาฉันทะนิวร์มีอยู่ณภายในจิตเมื่อการมาฉันทะนิวร์ไม่มีอยู่ณภายในจิตก็รู้ชัดว่าการมาฉันทะนิวร์ไม่มีอยู่ณภายในจิตการมาฉันทะนิวร์เนี่ยที่ยังไม่เกิดจะเกิดด้วยประการใดก็รู้ชัดประการนั้นด้วย การมาชันท่านิวร์ที่เกิดขึ้นแล้วจะละเสียได้ด้วยประการใดก็รู้ชัดประการนั้นด้วยแต่การมาชันท่านิวรณ์ที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปด้วยประการใดต้องรู้ชัดประการนั้นด้วยะนะทั้งห้าบทหรือหประโยคที่กล่าวไปเนี่ยมีความสําคัญมากในการเจริญนิวรณ์บัพเพาหรือที่เรียกว่าธรรมานุปัสสนาสําคัญมาก ถ้าใครบอกว่าเจริญนิวรณ์บัพพะก็ต้องห้าคำเนี่ยต้องมึกให้ออกหรือจะเรียกว่าผู้รอบรู้ในการมาฉันทานิวรณ์ก็ต้องพิจารณาทั้งห้าในอย่างที่ว่านั่นะนะย้อนอีกครั้งหนึ่งนะเมื่อมีอยู่น่าภายในจิตก็รู้ชัดมีเพราะอะไรเพราะมันเกิดบ่อยๆนันะมันเกิดบ่อยๆนั่นแหละเรียกว่ามันมีอย่างที่สองที่ไม่มีอ่ะไม่มีเพราะขณะนั้นไม่เกิดหรือไม่มีเพราะว่าละได้ด้วยกุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ คือตอนนั้น น, นเนี่ยกุศลเกิดนิวรมันเลยไม่เกิดทีนี้ต่อไปนิวรที่ยังไม่เกิดเนี่ยจะแปรสภาพมาเกิดได้ไหมเห็นไหมตอนนี้มันยังไม่เกิดถ้าได้ปัจจัยเนี่ยมันจะเกิดไหมแล้วปัจจัยที่จะทําให้นิวรเกิดเนี่ยคืออะไรบ้างเห็นไหมก็ตัวหลักๆเลยก็คือปัจจัยที่จะทําให้นิวรเกิดนั่นคืออะไรเห็ไหมสุภาพนิมิตนี่มีอยู่เห็นไหมสุภาพนิมิตมีอยู่ อโยนิโสมนัสิการในสุภาพนิมิตนั้นน่ะเห็นไหมให้บ่อยให้มากอโยนิโสมนสิการนั่นแหละเป็นปัจจัยให้กามฉันทะเนี่ยที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็เจริญงอกงามไพบูญยิ่งยิ่งขึ้นไปเห็นไหพันสุภาพนิมิตนั่นแหละและอโยนิโสมนัสิการทีนี้ถ้าหากว่านิวรณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะละได้ยังไงละได้ด้วย อนะอสุภนิมิตนี้มีอยู่โยนิโสมนัสิการในสุภนิมิตนั้นให้มากนั่นนะอันนี้เป็นไปเพื่อละนิบณ์ที่เกิดขึ้นนั่นนะโยนิโสมในอสุภนิมิตน่นะโยนิโสมนัสิการทั้งในอคัมว่าอสุภนิมิตแบ่งเป็นสองนั่นนะคือแบ่งทั้งที่เป็นหมายถึงตัวอสุภภาวนาอย่างหนึ่งหมายถึงอารมณ์ที่เป็นอสุภอย่างหนึ่ง ฉันยนิโสมนัสสิการคือใส่ใจในอสุภานิมิตให้บ่อยให้มากอันนี้เป็นไปเพื่อละกามฉันทะที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะแล้วก็ในขณะที่เจริญก็คือป้องกันกามฉันทะด้วยเนี่ยนะไม่ให้กามฉันทะเหล่านั้นนนั้นเกิดขึ้ น, น, น, นย้อนอีกครั้งหนึ่งนะว่าถ้านิวรณ์จะเกิดนะโดยเฉพาะกามฉันทะนิวรณ์จะเกิดเกิดเพราะอสุภานิมิตมีอยู่ แล้วก็อโยนิโสมนสิกขออภัยสุภาพนิมิตมีอยู่อโยนิโสมมนาสิการในสุภาพนิมิตนั้นอย่างที่1อย่างที่สองท่าจร ะ, ะนิวรก็คืออสุภาพนิมิตมีอยู่โยนิโสมมนาสิการในอสุภาพนิมิตนั้นอันนี้เป็นไปเพื่อความไม่เกิดขึ้นของกามฉันท่นิวรแต่ทีนี้กาแมชันท่านิวรท่าจร ะ, ะที่ละแล้วจะไม่เกิดจริงๆก็ต้องละด้วยอรหัตตมรัก จึงจะละได้โดยเด็ดขาดเนี่ยนะทบทวนในการมชฉันทะนิวรณอีกครั้งจะได้ขึ้นไปพยาบาทเลยเนี่ยนะถ้าการมฉันทะจะเกิดเนี่ยนะจะเกิดก็เพราะย้อนนะอโยนิโส มนาสิกาในสุภนิมิตสุภนิมิตแบ่งออกเป็นสองคืออะไรตัวตัวโลภะนั่นแหละง่ายๆอย่างหนึ่งอย่างที่สองก็คืออิทธารมอิทธารมก็คืออารมณ์ที่น่าปรารถนาะไอโยนิโสมนัสิกาเนี่ยก็คืออกุศลวิตกก็ได้ อกุศลวิตกก็คือตรึนในสิ่งเหล่านี้บ่อยๆคิดในสิ่งเหล่านี้บ่อยๆใส่ใจในสิ่งเหล่านี้บ่อยๆอกุศลหรือกรรมฉันท่านิวรณ์ก็จะเกิดขึ้นแต่ทีนี้ถ้าจะละล่ะก็ต้องอสุภานิมิตนี้มีอยู่นะแล้วก็เป็นอะไนะอสุภานิมิตมีอยู่โยนิโสมนัสิการ ในอสุภานิมิตอันนี้ให้บ่อยๆ อ, อันนี้เป็นปัจจัยเพื่อให้การมาฉันท่ที่เกิดขึ้นแล้วก็ละไปแล้วก็การมาฉันท่าที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อสายใจแบบนี้บ่อยๆนะนะคว่าอสุภานิมิตก็แบ่งออกเป็นสองกัไหมคืออารมณ์ที่เป็นเรียกว่าอสุภารมนะอารมณ์ที่เป็นอสุภะอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คืออสุภาภาวนาหรืออสุภะ า, าน ก็คิดถึงสองอย่างนี้บ่อยๆการมาชานธาตนิวรณก็จักละได้ทีนี้โยนิโสมนศสิการตัวนี้แหละคือค้อบถ้าว่าไปก็คือข้อบปฏิบัติแล้ะใส่ใจอย่างนี้ไปบ่อยๆไม่ละไม่เวน้นไม่เลิกตัวนี้เรียกว่าตัวปฏิบัติธรรมคือโยนิโสมนสิการหนังสือผู้การว่าไงไหต้องโยนิโสมนสิการตลอดชีวิตใช่ไหม นะเอ่อหนังสือก็ไม่ได้ว่าเองเรา ก, ก็ว่าตามคำพินนั่นแหละนั่นนะว่าไอโยนิโสมนัสิการนี้ต้องโยนิโสมนัสิการตลอดชีวิตแต่นี้หนึ่งในบรรดาโยนิโสมนัสิการก็คือโยนิโสมนสิการเพื่อไม่ให้การมชันทะเกิดนั่นนะก็โยนิโสมนัสิการในอสุภาพภาวนาอย่างหนึ่งโยนิโสมนสิการในอารมณ์ที่เป็นอสุภาพอย่างหนึ่งเพื่อตัดการมชันทะ โยนิโสมนสิการนั้นก็คือการใส่ใจในความจริงก็ได้ความจริงที่อะไรไม่เที่ยงนะความจริงที่เป็นทุกความจริงที่เป็นอนัตตาแล้วก็ความจริงที่เป็ น, อ, น, าาปนอสุภะความคิดใดก็ตามที่เป็นไปสอดคล้องกับหลักอันนี้เรียกว่า โยนิโสมนศสิกาหรือถูกต้องถูกอุบายแล้วนะมันก็ใส่ใจในอารมณ์ทั้งหลายว่าไม่ที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่ตรงนี้เพื่อกำจัดอสุอกาจัดกามฉันทะเลยเน้นใส่ใจในอารมณ์ทั้งหลายโดยเป็นอสุภะก็คือหนึ่งในวิธีที่ในวิธีเพื่อกำจัดบาปอากุศล น, นั่นนะทีนี้พอโยนิโสมนสิกาอย่างนี้บ่อยๆขึ้นโยนิโสมนัสิกานี้เป็นปัจจัยแก่อะไร ปกตินะปกติก็เป็นปัจจัยแก่สติและสัมปชัญญะนะบางแห่งบอกสตินี่เป็นสมถะนะสัมปชัญญะเป็นวิปัสนาถ้าจะว่าไปก็คือโยนิโสให้เป็นไปกับสมถะนะและวิปัสนา ทีนี้สติสัมปชัญญะนี่ปกติเป็นอาหารของอะไรนอินทรีย์สังวรก็จับบริบูรณ์ขึ้นสังวรตัวนี้แปลว่าปิดปิดอินทรีย์ไม่ให้เกิดบาปนอินทรีย์หคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะปิดไม่ให้เกิดบาปขึ้ น, น, นแต่อินทรีย์ตัวนี้ก็เน้นตัวหนึ่งคือตัวสติอีกนั่นแหละเน้นสติ กินซีสังวรถ้าเจริญถูกต้องนี้เป็นปัจจัยแก่นี่นะสุจริต3สุจริต3สุจรศสานีแบ่งออกเป็นกายะสุจรรตวจีสุจริเนี่ยนะอันนี้เท่ากับสิกขาไนอธิศีและสิกขา อะไรอาณภพิชชาและอัพยาปาทะอันนี้เป็นอธิจิตตสิกขาส่วนสัมมาทิธฐิสัมมาทิธฐิเป็นอะไรอธิปัญญาสิกขาจ ก็เป็นขณะที่บำเพ็ญสุดจริต3ก็คือการบำเพญ็ญไตรสิกขานี น, นะผู้ที่เจริญไตรสิกขาก็เนื่องจากว่าเป็นไปกับสมถะวิปัสนาหรือมีอินทรีสังวรธรรมะหลายๆส่วนในนี้นะเราเห็นแล้วอย่าไปคิดว่าโอ้โหเป็นปัจจัยที่ไกลามากจริงไม่ใช่ในนี้นทีซ้ำปยุตปัจจัยซ้ำไป น, น, นะนะเช่นอินทรีสังวรเป็นปัจจัยแ ก, ก่สุจริต3ก็สัำปยุตปัจจัยนั่นแหละ อยู่ในที่เดียวกันถ้าอาจจะคนละขณะคนละช่วงก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยสุจริตสามเหล่านี้เนี่ยเป็นปัจจัยแก่อะไรก็สติปัฏฐานสติปัฏฐา น, นเนี่ยนะกับโยนิโสมนัสิการตั้งกัดตอนแรกเนี่ยไม่เป็นสติปัฏฐานหรือ ก, ก็เป็นอีกนั่นแหละเพียงแต่ว่ามาพูดให้มันชัดอีกครั้งหนึ่งเท่านั้นเอง จริงก็คือสิ่งเดียวกันทีนี้อสติปทานที่เจริญบ่อยๆที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์นะเรียกเพิ่มว่าเป็นโพชฌงว์ว่าองค์ที่จะทําให้ตรัสรู้นะคือถ้าเจริญแบบนี้บ่อยๆจะทําให้ตรัสรู้ได้นะแต่เรียกว่าโพชฌงว์นะก็มาจากคําว่าโพธิเนี่ยแปล ว, ว่าตรัสรู้กับองค์องค์ที่จะทําให้ตรัสรู้เนี่ยนะหรือปัจจัยที่จะทําให้บรรลุได้นะั่นแหละ เพราะฉะนั้นถ้าเจริญแบบนี้บ่อยๆเรียกว่าโพชฌงเพราะเป็นไปเพื่อการตรัสรู้เนี่ยนะตรัสรู้ในที่นี้ก็คือเป็นปัจจัยแก่อริยมรรคอริยมรรคนะขณะตรัสรู้หมายถึงขณะอริยมรรคเนี่ยเกิดขึ้นที่นี้มรรคก็มีอยู่สี่มรรคคือโสดาปติมรรคสกท า, าคามิมรรคอนาคาคามิมรรคและอรหัตตมรรคเนี่ยนะ ทีนี้อริยมรรคที่เกิดขึ้นเนี่ยจึงประหารกรรมฉันทานิวอนโดยสมุติเฉดจริงๆนี่นะที่จะละการมมฉันทานิวอนได้จริงๆโดยที่เรียกว่าได้อารมณ์อะไรพระ่าหันโลภะก็ไม่เกิดนีนะแต่ถ้าผ่านาคามีท่านยังมีโลภะไหมมีแต่ว่าโลภะของท่านเนี่ยนะโอถ้าใครมีโลภะแบบพผ่านาคามีเนี่ยปุถุชนเราทั้งสายยกย่องท่านมาก เช่นท่านมีโลภะยังไงอโลภะอนาคามีนะท่านติดในฌานอย่างไงนะติดในฌานที่เรียกว่าฌานระดับรูปฌานอารูปฌานเนี่ยนะสิ่งที่ท่านติดอย่างแล้วท่านติดในวิปัสสนานะชื่นยังชื่นชมในวิปัสสนาของท่านาแหมปัญญาท่านดีมาก น, นะติดในสองตัวเนี่ยอย่างหนึ่ง อย่างหนึ่งก็คือท่านยังพอมีมาณะอยู่บ้างแต่มาณะตามเป็นจริงนะว่าอเราเนี่ยปลอดภัยแล้วนะสบายแล้ววัตตะไม่ตกต่ำแน่กนะก็การที่ท่านไม่เอาสิ่งเหล่านี้มาใคร้ครวญโดยเหตุเกิดความดับอาสาทาอทาีนวะนิสรณะโดยสมบูรณ์เนี่ยนะเรียกว่าเป็นอวิชาของท่านเนเป็นอวิชาของท่านแล้วก็ ขณะที่ท่านมีสิ่งเหล่านี้เป็นอารมณ์อกุศลของท่านก็เกิดขณะนั้นก็เป็นอุธจัจะท่านยังยินดีในสิ่งเหล่านี้อยู่อันนี้เพราะการมาฉันทะของท่านนี่นับว่าพูดแบบทั่วไปก็บอกกราบท่านสนิทใจเลยนะท่านติดในสิ่งที่เรียกว่าคนธรรมดาไม่มีโอกาสไปติดแบบนั้นแนะ่ติดในสิ่งที่ดีเหรนะเหมือนกับคนทั่วไปบอกมาติดติดศึกษาธรรมะนี่ก็นับว่าดีมากและนะ มันตัวที่ละกาเมฉันท่าได้โดยเด็ดขาดจริงๆก็คืออรหัตตมัตตแต่ข้อปฏิบัติที่สําคัญมากอย่างหนึ่งที่ที่จะละกาเมฉันท่านิวรันได้ก็คือเห็นโทษของกามชันท่านิวรันนะนะใครคิดว่ากาเมชันท่านิวร์มีโทษหรือไม่นะนะ เรกว่ารรมสัญญานี้ต้องดีหน่อยนะมันมีโทษหรือไม่มีโทษ ก, ก่อนไปถึงกัร น, นั้นครับ ก, ก็หัวข้อแรกที่ว่ า, า, านิวรณที่ ท, ที่ที่มีในขณะนั้นก็รู้ชัดว่ามีในขณะนั้นนี่นะคมุรกา ร, าจารยจทางนิวรณมีในขณะนนั้นก็รู้ชัดว่ามีในขณะนั้นเนี่ย เขามารู้ชัดนี่เนี่ยหมายความทะแค่ไหนเหมือนกับรู้ชัดในสัมปชัญญะบัพพะหรือเปล่าอันนี้เป็นหรือว่ารู้ชัดว่ามันมีอยู่ในรู้แบบอาสัมโมหะสัมปชัญญะรู้แบบแบบมีอาสัมโมหะสัมปชัญญะหรือรู้แบบสัมปชัญญะทั้งสี่จะไม่รู้ไม่รู้แบบทั่วๆั่วไปนะพวกคือรู้ทั่วๆไปเนี่ยนะก็ เมื่อสองสามวันนี่<ม>เขาเปิดเพลงให้ฟังร้องเพลงให้ฟังจนดึกๆเลยนะก็คือเขาก็ร้องพันน า, นาว่าเขามีโลภะเกิดขึ้นนั่นแหละนะสรุปเป็นรวมๆ ว, ว่าโดยมากว่าเขาเกิดโลภะขึ้นนะนะแล้วเขาก็มาคร่ำครวญว่าเขาอยากจะพูดเลื่เกินไอโลภะของเขาอยากจะระบายออกว่าเขามีโลภะนะแค่นั้นแหละอันนี้สรุปว่าเพลงทั้งหลายแหละโดยมากก็คือพันน า, น า, นาโลภะอย่างหนึ่งแล้วอยากจะบอกว่ามีโลภะอีกอย่างหนึ่งนะ แล้วก็พูดถึงว่าผิดหวังจากโลภะอย่างหนึ่งทั้งเขารู้ตลอดเลยถามว่าไอ้รู้แบบนั้นเนี่ยรู้เป็นสติปัฏฐานในที่นี้ไหมถ้ารู้อย่างนั้นเป็นการปฏิบัติธรรมนะไม่ใช่แน่นอนเพราะว่าการรู้แบบนั้นโลภะเกิดทั้งนั้นเลยนะถ้าจุติระหว่างนั้นก็ตัวใครตัวใครก็แล้วกันนะ <c oughs> นั้นคาว่าโลภะเกิดขึ้นเดี๋ยวนะที่ที่เกิดขึ้นนะ โดยวัตถุวัตถุของโลภะคืออะไรหาทะยะนะวัตถุครับนนโดยอารมณ์ก็อิทธารมอย่ น, นโดยปัใจจัยใกล้ๆหน่อยก็อยโยนิโสมนสิการโลภะอันนี้ก็มาจากอะไรทวารไหนก็ว่าไปทวารหก่ น, นทวารหกเป็นปัจจัยอิทธารมทั้ง แล้วก็อโยนิสโสมนัสิกานเนี่ยอุปนิสัยให้อุปนิสเียทางปกตูปนิสยะแล้วก็อนันตรูปนิสยะนั่นไงไอโลพาอันนี้ก็เกิดขึ้นนั่นไอันนี้พูดถึงพูดโดยรอบว่าเออโลพาเวลาเกิดขึ้นเป็นอย่างนี้ถ้าผู้ที่ศึกษาสัมปยุตธรรมละเอียดก็จะบอกว่ามันบวกกับมานะด้วยไหม หรือว่าบวกกับทิ่ถี่ด้วยไหมถ้าเจาะลึกไปอีกก็มีโมหะมีอกุศลทั้งหลายแหละที่เกิดร่วมด้วยอันะทีนี้เมื่อโลภะอันนี้เกิดขึ้นผู้ที่เจริญวิปัสสนาที่ใช้คำว่าเมื่อกามฉันทะเนี่ยนะนิวร์เนี่ยมีอยู่ณภายในจิตก็รู้ชัดว่ากามฉันทะนิวร์มีอยู่ณาภายในจิตคำว่ารู้ชัดในที่นี้เนี่ย รู้เพราะว่าเขาศึกษาคําสอนมาเป็นอย่างดีว่าคำอนุโมทนบอกรู้ว่าเมื่อไฟไหม้บ้านก็รู้ว่าไฟมันไหม้บ้านนะนะองั้นรู้แล้วถามว่ารู้แบบไหนอะรู้ว่าไฟไหม้บ้านเพราะรู้อยู่แล้วว่าคนที่มีสติสัมปชัญญะรู้ว่าโลภะเกิดขึ้นเนี่ยโลภะเนี่ยเขาเป็นอกุศลใช่ไหมอกุศลนี่เท่าแปลว่ามีโทษ อนะันนมีวิบากเป็นทุกขนะ์อ่นีนหนึ่งอีกนายหนึ่งว่าไอโลภะเนี่ยทำจิตให้กําเริบเนีย่ยนะแล้วก็เป็นภัยที่เกิดในภายในเนีย่ยนะเรียกว่าอันตรายปกปิดเหมือนกันเอะ อันตรายปกปิดเนี่ยนะศัตรูภายในนะฆ่าศึกภายในเพชะฆาตภายในก็ได้แล้วก็ทำให้ไม่รู้อัดเนี่ยนะทำให้ไม่รู้อัดแล้วก็เห็นธรรมะแล้วก็โทษอีกเยอะแยะแต่ที่สำคัญเนี่ย ไอการมาฉันทะตัวนี้คืออะไรตัวที่นำเกิดเนี่ยนะตันหาโปโนโภวิกานันที่ราคาสหคตาเนี่ยนะก็โลภะเป็นตัวที่นำเกิดเนี่ยนะก็จะชักนำกรรมทั้งหลายแหลให้มานำเกิดเพราะฉะนั้นผู้ที่รู้เนี่ยเมื่อการมาฉันทะเกิดขึ้นรู้ในฐานะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีโทษให้ผลเป็นความทุกข์เนี่ยนะและ้วรู้ด้วยว่า ในขณะที่อากุศลจิตเกิดเนี่ยนะมันยังจิตให้กําเริบกําเริบยังไงกาเริบจากเช่นกุศลศีลทั้งหลายก็ไม่เหลือแล้วใช่ไหมขณะนั้นกุศลศีลก็ไม่มีเหลือกุศลจิตทั้งหลายก็ไม่เกิดกุศลที่เป็นไปกับสมถะก็ไม่มีวิปัสสนาก็ไม่มีในระหว่างนั้นในขณะที่ที่กามาฉันทะเหล่านั้นเกิดแล้วก็สาบไปด้วยว่าการมาฉันทะมีอะไรเป็น อรามณะปัจจัยแล้วมาจากอุปนิสัยอะไรเนี่ยนะบาปอากุศลเราทำเหล่านั้นจึงเกิดขึ้นและรู้ต่อไปด้วยว่าถ้าปล่อยต่อไปนะมันเติบโตแน่เนีย่ยนะมันจะเจริญเติบโตแน่ถามว่าเหมือนอะไรเหมือนกับพระรูปหนึ่งที่ท่านไปบินทบาตเนีย่ยนะท่านไปบินทบาทแล้วก็ยอมก็มาใส่บาตรใช่ไหมทีนี้ก็นึกชอบคนใส่บาตรเข้า พอชอบคนสายบาทก็เลยเทอาหารนั้นให้ลูกศิษย์ให้หมดเลยลท่านบอกว่าถ้าปล่อยให้มันเกิดแบบนี้อีกต่อไปเนี่ยอบายท่านหวังได้อยู่แล้วลท่านก็เลยบอกว่าจากนั้นท่านก็เน้นมาในการเจริญกุศลธรรมเพื่อกําจัดไอ้ความคิดอันนี้ว่าต่อไปความคิดอันนี้จะต้องไม่มีอีกนะเพื่อที่เห็ น, เ ห, นเห็นโทษภัยของไอ้โลภะอันนี้อย่างจริงๆอันนี้ก็คือรู้ว่าในฐานะว่าเป็นสิ่งที่เป็นอกุศล มีโทษให้ผลเป็นความทุกข์แล้วก็สร้างความเสียหายคำว่าภัยก็คือน่ากลัวสิ่งที่น่ากลัวได้เกิดขึ้นแล้วในภายในนี่นะแล้วก็เป็นอันตรายที่ที่ปกปิดนี่นะอันตรายที่ปกปิดเพราะว่าสร้างความเสียหายอย่างมากะนะทุกภัยทั้งหลายที่จะเกิดต่อไปนี่เกิดจากอันตรายเหล่านี้แล้วก็เป็นผู้ฆ่าภายในผู้ทําลายในภายในน่ะนะ แล้วก็ไม่รู้อาจรู้ทำขณะที่โลภะเกิดชื่นชมในอิทธารม์เนี่ยนะถามว่าพระไตรปิฎกแปดหมื่นสี่พันพระธรรมมาขันอาาัตกถาดีกาเนี่ยนึกถึงบ้างไหมนึกถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าผู้หวังดีไหมไม่มีนะลืมหมดเกลี้ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เห็นอาจไม่เห็นทำไม่รู้แจ้งคําสอนไม่อะไรเลยสักอยเหลืออยู่อย่างเดียวว่าถ้าจุติก็เกิดใหม่แค่มีเท่านั้นแหละเห็นไหมทีนี้ถ้า เมื่อไม่มีผ่านได้ว่ามีอยู่รู้ว่ายังไงคือ <c oughs> สรุปว่าตอนท้ายในในบาลีก็ลงท้ายด้วยประณ า, าตินี่ <c oughs> น, นะก็มีลักษณะทํานองในใน อ, อิยาบทบพะเหมือนกันคือประณ า, าติเนี่ยนะก็ถ้าเป็นรูปไปเรียงชานะโดยศัพท์เนี่ยนะก็แปลว่ารู้ติก็เป็นวิพัฒน์ทางไอไอวยากรณ์เนี่ยนะแปลว่าย่อม อัดในปัจจุบั น, นาการเนี่ยนะแปลว่าย่อมเฉยๆเหนไะติอันติสิทมีมะตังอันตังนไะพวกนี้แหละแล้วก็มีปะนําหน้าเรียกว่าปะชานาติเห็นไหมชาณะปชานะแ ป, นะปลว่ารู้ทั่วอีกอัดหนึ่งเป็นชื่อของปัญญาที่แปลว่ารู้โดยประการต่างๆเห็นไหมรู้โดยประการต่างๆเป็นชื่อของปัญญา ันผู้ที่มีปัญญาไปรอบรู้โลภะเนี่ยนะก็รู้รู้โดยประการต่างๆถ้าปัญญาไม่รู้อะไรเลยนะโงกว่าโลภะเยอะเนีย่ยนะน่าสงสารปัญญามากตรงนี้ก็เชื่อเห็นความแตกต่างที่เดิมเราเคยเข้าใจผิดกันมาว่าเมื่อกามาจันทภาพเกิดก็รู้ชัดว่ากามาจันทเกิดก็ไปคิดว่าเออรู้ว่ามันเกิดพอแล้วก็นะสมมติแปล ว, ว่าชอบก็รู้ว่าชอบใ ช, ใช่ไหม นึกชอบก็รู้ว่านึกชอบนะนะชอบอาหารก็รู้ว่าชอบอาหารชอบสีก็รู้ว่าชอบสีชอบเสียงก็รู้ว่าชอบเสียงถ้ารู้แค่นั้นเนี่ยนะก็อย่างที่กล่าวไปว่าใครไม่รู้บ้างอ่ะถ้าพูดถึงว่าคนที่ยังมีวิญญาณอยู่นะมีวิญญาณหกอ่ะต้องรู้ทั้งหมดเลยเพราะว่าธรรมชาติของจิตก็คือรู้อารมณ์อยู่แล้วถ้าผู้ใดยังรู้อารมณ์อยู่นะขอให้เบลอ ER แบบคนเมาที่เรียกว่า ถ้ายังฟิลยังไม่ขาดอยู่นะยังยังสงะเงาะสะแงะอยู่เนี่ยถามว่าขนาดนั้นเขารู้ไหมเขารู้แต่รู้ด้วยอํานาจโมหะอย่างยิ่งเลยนะเพราะจิตทุกดวงนี่ธรรมชาติเขารู้อารมณ์ผู้ที่ไม่มีจิตเท่านั้นแหละที่ที่จะไม่รู้นะแต่รู้แบบนี้สํานวนทั่วๆไปเรียกว่ารู้โดยสัญชาตญาณซึ่งสัตว์ในทุกภพภูมิที่มีจิตรู้ทั้งหมดเหนะ็นไหมอันรู้แบบนี้ไม่ประสงค์ไม่ประสงค์งในที่นั้น แต่หมายถึงความรู้ที่สติปัฏฐานที่เราเรียนก็บอกอันนี้สงตั้งกแรกเลยใช่หมว่าทางนี้เป็นทางสายเอกเพื่อความหมดจดของศาสตร์ทั้งหลายเนี่ยนะก็คือเพื่อถ้าเจริญอย่างนี้ถูกต้องแล้วหมดราคะโทสะและโมหะทีนี้ถ้าโลภะมันเกิดขึ้นเนี่ยนะรู้ยังไงมันจึงจะหมดโลภะได้เนี่ยนะไม่ใช่สักแต่ว่ารู้ว่ามีโลภะเฉยๆเนี่ยนะ พูดอีกในหนึ่งนะโลภาษภาษาธรรมะอุปมาว่าคือตัวนี่เป็นนี่ชนิดหนึ่งทางธรรมะถ้าคนที่กำลังมีนี่อยู่นะบอกฉันมีนี่อยู่นะแล้วก็รู้แค่นี้ใช่ไหมพอไหมรู้ว่ามีนี่ถ้าคนจริงก็ต้องรู้ด้วยว่ามันมีดอกเบี้ย ด, ด้วยนะ